บทที่8อดีตการของกิริยาช่วยสอง masa lampau ja ามมาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาา ลูกสาวของ i ม a ม่อยากเล่นฟุตบ e ลลู n สาวของผไม่อยากเล่บอลลูกสาวของผมไม่อยากเล่นฟุตบอลลูกสาวของ p มไม s อยากเ e ่นฟ n ต i n ลล y กส i วของผมไม่อยากเล่นฟุตบอล a ูกอยานของผมไม่อยากเล่นหูมากรุบกกับางผมไม่อยาสของผมไม่อยากอสต ไม่อยากเล่นหมากรุกกับฉันลูกลูกๆของผมไม่อยากไปเดินเล่นลู ก, กเขากไเขม่อยากไัดห้องม่อยากเดนของไม่อยากไป ด, ดิอนองม่อย พวกเขาไม่อยากไปนอ น, อน เ, เขาไม่ได้รับอนุญาตให้ทานไอศครี ม, เ, ม, รมเขาไม่ได้รับอนุญาตให้ทานชโโ็อกโกแลต เขาไม่ได้รับอนุญาตให้ทานของหวาน d i าไม่ได้รับอนุญาตให้ทานของหวามได้รับอนุญาตให้ขอพมได้รับอนุญาตให้ n g h ขอ a p k a n sesuatu u n ร u k diri saya ผมได้รับอนุญาตให้ซออืมได้รับอนุญาตให้ด้อุให้ดตให้ตัตวเัองวเได้อหนึงไ่ดุ้งชดุด Saya boleh membeli s e ผ u a ได้ j u ผรับอนุญาตให้หยิบช็อกโกแลตได้รับอนุญาตให้หยิบช็อกโกแลตไรับอนุายิบอกโกลได้ไรัอนุญาติบดบุหยบนเครื่อนบินโได้หรือบุญาตให้หยกโกด้ได้รัุณาบดรบนาใโลได้ ร, ดรงพยาหบาลได้หรือ bolehkah kamu minum bir di rumah sakit คุณนำสุนัขเข้ามาในโรงแรมได้หรือ bolehkah kamu membawa anjing ke hotel ในช่วงพักร้อนเด็กๆไม่ต้องไปนอนตามเวลา di masaliburan anak-anak boleh bermain lama di luar พวกเขาเล่นที่สนามได้นานวกเขาได้รับอนุญาตให้นอนดึกได้เ g a s า m p a i เล่นได้นาน